ฮัลโหลครับสวดีครับเออผมจะถามยาเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลุกหมาครับผมได้ครับผมเป็นมะเร็งต่อมลุกหมาเออแล้วยาเนี่ยมันเป็นยาอลไรครัยาต้องรือ ย, ยากรตุนตัวนี้เป็นอาหารสําหรับเม็ดเลือดขาวนะครับอ้โตัวนี้มันกระตุ้นเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราเนี่ยให้สู้กับมะเร็งอ๋อเป็นของอเมริกาเป็นยานา้ำเหรอแคปซูลครับผมเป็นแคปซูลซูนแล้วขายยังไง ชุดหนึ่ง3ามป9าครับ3าปวดหาันาทานเช้าสามเมษเที่ยงแล้วก็เย็นสามเวลาก่อนอาหารครับมันจะช่วยให้เม็ดเลือดขาวเราสูงขึ้นครับเ ป, เป็นเขาเรียกว่าถ้าภาษาฝรังร่งเเรียกว่าอิมมูนโนเทรปีการการักษาด้วยภูมิคุ้กันนะนะเราไม่อยู่ทีไ่ไหนครับเนี่ยตัวผมอยู่อุบลครับเยครับากรุงเทพไม่กรุงเทพแล้วทีนีในใน้ในในนกรุงเทพมีนะมีครับมีครับอยู่อยู่ตึกอมรินนะครับเลยครับส่วน่ ที่ไหนครับอยู่เขตไหนผมอยู่กรุงเทพมหานครครับอยู่เขตไหนครับอยู่เขตบางแคครับบางแคร์อ๋อบางแครก็ไม่ไม่ไกลเนี่ยครับอืมแล้วก็อยู่เนี่ยตึกอมรินแยกประตูบันเนี่ยออแถวเวอร์เทศเนี่ยครับเออแถวเวอร์เทศเนี่ยเท่าไหร่ละชุดหนึ่งชุดหนึ่งห้าพันเก้าครับแล้วกินได้นานเท่าไหร่กินรักษาเนี่ได้เดือนหนึ่งพอดีครับเดือนเดือนละสามขวดเดือนหนึ่งสามวดใช่ไหมครับผม เดือนหนึาม๙แล้วชุดนึงนี้ก็วัดผลได้อ่ถามว่าวัดผลได้ไหมมันถ้าวัดโดยภาพรวมของร่างกายเนี่ยได้ครับ<อ>ภาพรวมเนี่ยหมายาว่าอ่ระบบขับถ่ายเราอาจจะดีขึ้นการพักผ่อนการนอนหลับว่าความกระชุ่มกระชวยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนประมาณเนี่ยในระบบเนี่ยมันเพราะมันบูรณาการของไม่เลือดขาวทั้งหมด อ, ะ อ, อ่ะอครับ มันเป็นมันเป็นแบบอาหารเสริมใช่มนะใช่ใช่มันเป็นอาหารเสริมครับแต่ว่าเป็นอาหารเสริมสําหรับเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะเลยอืมก็ไม่คุยว่าคุณอะไรครับผมคําผางครับผม คื่ออะไรนะคำพังทวงทัพยทิมครับแล้วอาการต่อมลูกหมากมะเร็งต่อลุกหมานี้อาการมันเป็นยังไงนะถ้าพูดถึงว่ามันเป็นแล้วถ้าเป็นเป็นใหม่มันจะไม่มีอาการเหมือนกับมะเร็งทั่วไปนั่นแหละเป็ใหม่ไม่มีอาการเหรอตาผมไม่มีอาการอ๋อแต่ถ้ามันเป็นถ้ามันเกิดบวมเกิดอะไรขึ้นมานั่นแสดงว่ามันมากแล้วแล้วอ่ามากแล้วคือพวกนี้ถ้ามันไม่ไม่เต็มที่มันก็จะไม่แสดงอาการก็อะไรเพราะมะเร็งมันคือเนื้อเราดีๆนี่เองแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยทำ ทำให้เราไม่รู้สึกอะไรเพราะมันมันเกิดจากเนื้อของเราเองเนี่ยครับมันก็เลยไม่แสดงอาการครับเออถ้าอย่างไรผมจะติดต่อไปอีกทีนะคำพางนะะครับผมจะมาเอาเองก็เนี่ยแหละไปตึกอมรินพาส่าปิดสองทุ่มครับครับครับผมก็ไปเอาเองไม่มีส่วนลถนะราคานี้ราคาสมาชิกครับส่งให้ถึงบ้านก็ราคาเนี่ยเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางก็ได้ครับครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวผมติดต่อไปทีนะได้ครับได้ครับครับสวัสดีครับ